เทศนาแผนที่78ลำดับที่14โดยหลวงพอ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงคมในวันที่17สิงหาคม2558มีชื่อเรื่องว่าปัญญาเกิดจากการฟัง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 ถ้าผู้ไม่มีอุปนิสัยมาแล้วก็อ่านไปก็อย่า ง, งานั้นอย่า ง, งานั้นหละแต่ถ้าบอาผู้มีอุปนิสัยเราก็หวังว่าผู้มีอุปนิสัยไฝในการศึกษาไฝในการเรียนรู้ในภาคจิทตภาวนาก็จะได้เรียนรู้ศึกษาในเรื่องทำคำสอนะนั้นหลวงพ่อเองจึงให้คณะสัทธาญาติโยมทั้ง MP3 มพวยทั้ง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 ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ใช้ถ้าเป็นแท่งทองอยู่เฉยๆมันก็เป็นอยู่มีคุณค่าอยู่นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระธรรมคาสอนที่เป็นแท่งอยู่แต่ถ้าว่าไม่มีผู้ใดนำทำคาสอนออกมาประกาศเผยแพ่พระธรรมก็เป็นก็อยู่อย่างนั้นอ่แต่นี้หาผู้ที่จะนำพระธรรมคาสอนออกมา บอกกล่าวทุกออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราทั้ ง, ท, งทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแต่บางองค์ท่านก็เผยแผ่ท่านพูดไปพวกเราฟังก็ไม่เข้าใจอีกเหมือนกันแต่บางองค์ฟังเข้าไปเออนีเข้าใจตื่นขึ้นมานําไปประพฤติธปฏิบัติได้นี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคณาจาทยา์ญาติโยมลูกหลานไม่ใช่ของง่ายๆอีกเหมือนกันอย่างลูกพ่อเหมือนกันนะ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 หรือว่าเห็นอยู่ไม่อยู่ในระเบียบเนะ่เขาไม่พอใจเขาจะต้องนอนอีกเจดวันเป็นการ ท, ทรมานตนเองให้อยู่ในให้อยู่ไม่ให้อยู่ในก ร, ก, รกระจุยกระจายในที่นอนของตนเองนะพอตื่นขึ้นมานอนเออก้อนหินอยู่ในสภาพอะไรไม่มีกระจุยกระจายในขนาดตรงที่ตัวนอนนะยังค่อยขึ้นมาแล้วก็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 มือรูปแล้วรูปอีกเอแต่คนหนึ่งนั่งนิ่งนั่งนิ่งฟังนะอคนสี่คนคนั่นอุบาสกสี่คนนั้ไม่ไม่ใช่คงไม่ใช่ห้ามมันคงจะเป็นสี่คนหลวงพ่อก็จังไม่แม่นเหมือนกันจุดนี้นะอพระที่พระอ น, นุ์กรมามาพระสงฆ์ประกาศทูลถามพระพุทธเจ้าว่าไมอุบาสกทั้ง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 อันนั่นเคยเป็นหลิกมาก่อนแต่อนคนที่มานั่งฟังเทศคุยกันเนี่ยเอนั่งไม่ตั้งใจฟังไม่แต่คุยช็ยชดตช็ช็ช็อเนีคนประเภทนี้จะเป็นประเภทอะไรฮะเอเอยมีมีนักศึกษาถามถามมหาอาจารย์นะเอแต่ถ้า ม, มาถามถ้า ม, มาถามหลวงพ่อนะอถ้า ม, มาถามหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่ออินบอกพวกนี้คงจะเคยเป็นนกกระเจาะมาก่อน <laughs>